30 นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. มอบให้มหาวิทยาลัยมหามงคลเฉลิม 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รวมพลังไทยขจัด ร่วมเทิดทายองค์วรการปลายฟ้าเป็นชื่อ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 ต่อไปนี้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 มอบสลาย 5 ความเดิมตอน และบอกแต่กิมจูผู้เป็นน้องสาวไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปว่าหมอกสลายที่ปลายฟ้าเป็น ปอจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันไปไหนก็ยายให้ฉันเฝ้าพี่ปอไว้นี่นามันน่าเบื่อสิ้นดีไปไหนมันก็เรื่อง ทำไมฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วล่ะไม่พอใจล่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกล่ะยาย ถ้าจะให้ฉันอยู่บ้านก็ขอสักร้อยนึงเอา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 นี่คนไม่รู้จักไหว้พระไหว้เจ้ากันแล้วหรือ ได้ยินว่าขายไม่ค่อยดีใช่รถบรรทุกก็ใช่น่ะสิฉันคิด ยี่สิบยังขายยากเลยยังขายยากเน็บเข้าไปด้วยอีกไม่นานเท่าไรมันจะไปแยกอะไรเอาไอ้ ลิรีวิ่งเข้าห้องส้วม เป็นอะไรนังอ้อยทำไมต้องพูดกระซิบค่อยๆแล้วเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างๆเชียวนะถ้าเป็นเฮียกำจร แต่ที่พี่อึ๋มเค้ามาคุยกับฉันน่ะไม่ใช่จะมาจีบเป็น ฉันจะตัดสิน มาคอยเจอไอ้แสงลูกชายณส้อยน่ะไอ้แสงไม่อยู่ แล้วเอาไว้ฉันจะมาที่นี่ใหม่ไปแล้วนะซ้อยนี่ เอ็งไปกู้ยืมเงินมันมาทําอะไร เกิดข้าอย่าบ้าจากพี่ผู้ใหญ่งก วันๆไม่ย่องทำอะไรเอาแต่นั่ง นี่จากการพนันหรือว่าคาดยาเสพติดเนี่ยนะ คือตำรวจๆๆ ผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยเมื่อบำบัด อย่างน้อยเราก็พอจะรู้เป็นเราๆแล้วนะ อันเราเริ่ม ในแทนมันเคยบอกว่า.... ในแทนคนที่เดือดร้อนพอค่ะ ยาเสพติดอย่างวัดอนามัยไปจนถึง จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากอีเอ๊ะพี่หอมเออคือ พี่ถันไม่ทันระวังค่ะยายขอหมอดูคือเอ่อเพิ่งจะถูกทําร้าย ก็คุณหมอ หลานยายหอมหมดมุงเค้าปลูกปล้ำน้ําฝนที่เป็น กําลังรวบรวมข้อมูลเพื่อคุยกับครูและนักเรียนในโรงเรียนนี้ให้เขาเข้าใจถึงพิดษภัยของมันหรือจะให้เป็นวิทยากรด้วยก็ได้ฉันมีัเอกสารแผ่นพับสไลด์ซีดีโพสเตอร์มาพูดคุยให้นักเรียนเข้าใจไม่ใช่เฉพาะนักเรียนเท่านั้นชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านนี้หรือชุมชนนี้ถ้าครูใหญ่จะยอมไม่ให้ห้องประชุมของโรงเรียนเป็นเหมือนสาลาประชาคมได้สรุปว่า ฉันมาขอความร่วมมือจากครูใหญ่ผมยินดีที่คุณหมอจะมาร่วมใจกับผมร่วมมือค่ะความร่วมมือจากครูใหญ่ผมยินดีที่ก็โอ๊ย คือผมกําลังจะบอกว่าขอผมคิด แต่ฉันไม่ร่วมใจกับคุณนะจะบอกให้ เรียนยามาอีกแล้วใช่มั้ยนางปองั้นก็ๆน่ะ นักเด็กนั่นหรือเปล่าวะที่เคยเอาตัวเลขยาน่ะ เออไอ้อึงกับไอ้จอร์จมันเอาของศักดิ์สิทธิ์ จู๋แน่ใจสิเตียรู้เรื่องหรือได้ยิงเรื่องที่รู้ๆท่านน่ะคุณกินจู๋ ข่อยรับสัญญาให้ คุณมนต์ชีพศิวะสินากรหรือครูแปดอย่าครับแล้ว แสดงบีดังต่อไปนี้อาธรภาธิพัฒนะทินดาเกียรติสิริเปรมกมลโชติกษัตริย์ธีระ และเฉลิมพลศิริประเสริฐศักดิ์ชนัฐฐานาสาควบคุมเสียงอาธรภาธิภัทรนะดินดาเกษริน